เรื่องคนยืมจีวรสมัยนั้นพวกภิกษุให้กุลบุตรผู้ยืมจีวรเขามาอุปสมบทเมื่ออุปสมบทแล้วเจ้าของก็ขอเอาจีวรคืนพวกเธอเปลือยกายเที่ยวบินธบาดีด้วยมือมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประนามพนธนาว่าเที่ยวบินธบดีเหมือนพวกเดียร์ถีภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผู้ยืมจีวรเขามาไม่พึงให้อุปสมบท ร, รูปใดให้อุปสมบท ต, ต้องอาบัติทุกกฎวงเล็บยี่